สถานีวิทยวครอบครัวเก่าสตรอยแ้กกระชาพระมหาไยบูญอะพี่ปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านบูฟังอยู่เป็นประจำเมื่อวันนี้เราได้ให้ฟังเรื่องราวของยามะกะปาติหารแตคื อ, อยังไม่ทึนเริ่มเลยท่านบูฟังเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยาวมากเมื่อวานนี้ได้ให้ฟังตอนการปรารบเหตุ ในการที่จะแสดงปาฏิหาริย์ที่ว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งได้ปุ่มไม้จันแดงก็เลยให้คนมาทําการกลึงให้เป็นบาดแล้วก็เอาบาดเนี้ยเป็นตัวที่บอกว่าอยากให้มีพระอาหารหันต์มาเอาไปโดยห้อยไว้บนปลายไม้ที่สูงขึ้นไปบนอากาศนุ่นก็ให้มาห่อเอากันไปแต่ก็มีท่านพระภารทวชชะพา ร, วาพรทวชชะองค์ไหนเพราก็มีหลายองค์ กษัตระราธาวัชชองค์ที่หาะไปเอาบาทนั่นแหะเขาก็เลยว่าบินโทระพราธาาาะธวัชชอาแสดงฤทธิ์หาะไปเอาบาทก่อนไปเอาบาทนี่ก็แสดงฤทธิ์โดยการเอาปลายเท้าขีบหินดานบินไปทั่วพระนครก็เลยเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าห้ามการทําปาฏิหาริย์แล้วก็ให้เอาบาทไม้ฉันแดงนี้ไปทําลายทิ้งซะทําเป็นยาหยอดตา ก็เลยมีคำกล่าวกันไปนะพวกที่เป็นเดรรตีเขาก็ท้าขึ้นมาละเอาท้างั้นไม่ทําบริหารฉันจะทํำปริหารแข่งกันละ่ะพระพุทธเจ้าก็เลยจะทํำปฏิหารโดยบอกว่ากฎระเบียบอะไรต่างๆ่างพวกพินัยเนี่ยสำหรับพวกภิกษุทั้งหลายแต่ตัวพระองค์เป็นพุทธะเนี่ยไม่ได้มีข้อกําหนดอย่างนั้นก็เลยจะทําปาฏิหารและโดยสถานที่ที่จะทํำปฏิหารนั้นก็คือใต้ต้นมะม่วงต้นมะม่วงนี้ก็ปรากฏขึ้นละในวันนี้จะได้ให้ฟัง แต่ในตอนที่มีการปรากฏของต้นมะม่วงที่พระพุทธเจ้าจะทําปาฏิหารแล้วก็วิธีการที่พระพุทธเจ้าทําปาฏิหารเป็นอย่างไรนต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทําปาฏิหารนั้นเราพวกสาวก่ไล่มาตั้งแต่อุบาสิกาอุบาสกสามเณรีสามเณรภิกษุณีแล้วก็ภิกษุลนะจนสุดท้ายภิกษุนั้นก็คือท่านพระมหาโมคคลานะ จะมารับแสดงปาฏิหาริย์แทนพระพุทธเจ้าไม่ต้องลําบากแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าพวงมาลัยนี้สําหรับพระองค์อยู่แล้วเป็นปัญหาที่พระองค์ต้องแก้เองผูกมาเพื่อให้พระองค์ทําปาฏิหาริย์เองลักษณะนานปาฏิหาริย์เป็นอย่างไรเรามาฟังตอนนี้กันอันนี้เป็นตอนที่2ของเรื่องยะมะกะปาฏิหาริย์แล้วหลังจากที่พระพุทธเจ้าแสดงปาฏิหาริย์แล้วก็จะขึ้นไปจำบรรชาที่ชั้นดาวดึงนั่นก็จะเป็นตอนที่3ามที่เราจะมาพูดกันในวันพรุ่งนี้ วันนี้มาฟังตอนที่สองเรื่องของยมกาปาฏิหาริย์ลักษณะของยมกาปาฏิหาริย์เป็นอย่างไรในวันเพ็ญเดือนแปพระศาสดาเสด็จเข้าไปในภายในพระนครผู้รักษาสวนของพระราชาชื่อคันทะเห็นมะม่วงสุกผลใหญ่ผลหนึ่งในระหว่างกลุ่มใบมีมดดำมดแดงทำรังไว้ไล่กาที่มาชุมนุมด้วยความโลภ ในกลิ่นและรสแห่งมะม่วงนั้นให้หนีไปแล้วถือเอาเพื่อประโยชน์แก่พระราชาเดินไปเห็นพระาศาสดาในระหว่างทางคิดว่าพระราชาเสวยผลมะม่วงนี้แล้วพึงพระราชทานกหาพนะแก่เรา8กหาพนะหรือส6กหาพนะกะหาพนะนั้นไม่พอเพื่อเลี้ยงชีพในอัตภาพหนึ่งของเราก็ทว่า เราจะถวายผลมะม่วงนี้แก่พระาศาสดานั่นจะเป็นคุณนําประโยชน์เกื้อกูลมาให้แก่เราตลอดกาลไม่มีที่สิ้นสุดดัง น, น, นี้แล้วเขาจึงน้อมถวายผลมะม่วงนั้นแก่พระาศาสดาพระาศาสดาทอดพระเนตรดูพระอา น, นุ์แล้วลําดับนั้นพระเถระนําบาท ที่ท้ามหาราชทั้งสี่ถวายออกมาแล้ววางที่ระาชของพระองค์พระองค์ทรงน้อมบาทเข้าไปรับมะม่วงแล้วทรงแสดงอาการเพื่อประดับนั่งในที่นั้นนั่นแหละพระอนนเทระได้ปูจีวรถวายแล้วลาดับนั้นเมื่อพระองค์ประดับนั่งบนจีวร น, นั้นแล้วพระเทระกรองน้ำดื่ม แล้วเขาย่ำมะ ม, ม่วงสุกผล น, นั้นทาให้เป็นน้าปานะถวายพระศาสดาสเสบยน้ำปานะผลมะม่วงแล้วจึงตรัสกับนายคันธาว่าคันธะเธอจงคุยดินร่วนขึ้นแล้วปลูกเมล็ดมะม่วงในที่นี้นี่แหละดังนี้และเขาก็ได้ทําอย่างนั้นแล้วพระศาสดาทรงล้างพระราช บนเม็ดมะม่วงนั้นพอเมื่อพระหาทิตย์ะพระองค์ทรงล้างแล้วเท่านั้นต้นมะม่วงมีลำต้นเท่างอนไถมีประมาณห้าสิบอกโดยส่วนสูงงอกขึ้นแล้วกิ่งใหญ่ห้ากิ่งคือในทิศสีท่ทิศทิศและกิ่งเบื้องบนกิ่งหนึ่งได้มีประมาณกิ่งละห้าสิอกเดี่ยว ตนมะม่วงนั้นสมบูรณ์ด้วยช่อและผลได้ส่งไว้ซึ่งพวงแห่งมะม่วงสุกในที่แห่งหนึ่งในขณะนั้นนั่นเองพวกภิกษุผู้มาข้างหลังมาขบฉันผลมะม่วงสุกเหมือนกันพระราชาเมื่อได้ทรงสดับข่าวว่าต้นมะม่วงเห็นป่านนี้เกิดขึ้นแล้วจึงทรงตั้งอาราขา ไว้ด้วยพระตำรับว่าใครๆอย่าตัดต้นมะม่วงนั้นก็ต้นมะม่วงนั้นปรากฏชื่อว่าทันทามะพรึกเพราะความที่นายขันทะปลูกไว้แม้พวกนักเลงที่เคี้ยวกินผลมะม่วงสุกก็กล่าวกันว่าเจ้าพวกเดรธีถอยเว้ยพวกเจ้ารู้ว่าพระสมณโคดมจะทรงธรรมปาฏิหาร ที่โคนต้นคันธามาพรกจึงสั่งให้ถอนต้นมะม่วงเล็กๆแม้ที่เกิดในวันนั้นในภายในที่ดินโยชดหนึ่งต้นมะม่วงนี้ชื่อว่าคันธามะพะแล้วเอาเม็ดมะม่วงที่เป็นเดนประหารคือคว้างไปทางพวกเดรรตีเหล่านั้นเท้าสักกะทรงรับสั่งว่าตะเวลาหกเดี๋ยวบุตรคือเทพเจ้าแห่งลม ดังนี้ว่าท่านจงถอนมนตดบของพวกเดรตีเสียด้วยลมแล้วให้ลมหอบไปทิ้งเสียบนแผ่นดินที่กองอยากเยื่อดังนี้แล้วเทวบุตรนั้นได้ทำเหมือนอย่างนั้นแล้วทา้าวสากรปรับสั่งสุริยะเทวบุตรว่าท่านจงขยายมนทนพระอาทิตย์อย่างพวกเดรตีให้เร่าร้อน แม้เทวบุตรนั้นก็ได้ทำอย่างนั้นแล้วท้าวสั ก, กะทรงรับสั่งวาตะเวลาหกเทวบุตรอีกว่าท่านจงยังมนทนแห่งลมคือลมหัวด้วนให้ตั้งขึ้นไปเถิดเทวบุตรนั้นก็ทําอยู่เหมือนอย่างนั้นโปรโยเกลียวทุลีลงที่สรีระของพวกเดรตีที่มีเหงื่อไหลพวกเดรตีเหล่านั้น ได้เป็นเช่นกับจอมปลวกแดงท้าวสั ก, กะทรงสั่งบังคับแม้วัดสระวลาหกเทวปบุตรคือเทวปบุตรแห่งฝนด้วยคำว่าท่านจงให้หยาดน้ำเม็ดใหญ่ๆตกลงเทวบุตรนั้นก็ได้ทำเหมือนอย่างนั้นแล้วที่นั้นกายของพวกเดรตีเหล่านั้นได้เป็นเช่นกับแม่โคด่างแล้ว พวกเขาแตกหมู่กันหนีไปที่เฉพาะหน้าเฉพาะหน้านั่นเองเมื่อเขานี้ไปอยู่อย่างนั้นเชาน้านาคนหนึ่งที่เป็นอุปถาคของปุรณกะกัสปักจึงคิดว่าบัด น, นี้เป็นเวลาทำปฏิหารแห่งพระผู้เป็นเจ้าของเราเราจะดูปฏิหารนั้นแล้วได้ปล่อยโคถือหม่อยาคูและเชือกซึ่งตนนำมาแต่เช้าตรู่ เดินมาอยู่เห็นปุรณะหนีไปอยู่เช่นนั้นจึงกล่าวว่าท่านขอรับผมมาด้วยหวังว่าจะดูปาฏิหาริย์ของพระผู้เป็นเจ้าพวกท่านจะไปไหนปุรณะท่านจะต้องการอะไรด้วยปาฏิหาริย์ท่านจงให้หม้อและเชือกนี้แก่เราเขาถือเอาหม่อและเชือกที่อุปถักจนั้นให้แล้วไปยังฝั่งแม่น้า เอาเชือกผูกหม่อเข้าที่คอของตนแล้วกระโดดลงไปในห่วงน้ำย่างฟองน้ำให้ตั้งขึ้นอยู่ทํากาละแล้วเกิดในอเวจีแล้วพระศาสดาทรงนรมิต ท, ทางจงกรมแก้วในอากาศที่สุดด้านหนึ่งของทางจงกรมนั้นได้มีที่คอปากจักรวาลด้านประจีนทิตด้านหนึ่งได้มีที่คอปากจักรวาล ด้นปัจจิมาทิตพระศาสดาเมื่อบริษัทมีประมาณ36โยตประชุมกันแล้วในเวลาบ่ายเสด็จออกจากพระกันท ก, กุดีด้วยทรงดำริว่าบัดนี้เป็นเวลาทำปาฏิหารและได้ประทับยืนที่หน้ามุกตอนสาวกสาวิการับอาสาทำปาฏิหารแทนครนั้น อาณาคามีอุบาสิกาคนหนึ่งผู้เป็นมารดาของนันทามานพชื่อกรณีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อที่ดาเช่นหม่อมฉันมีอยู่กิจที่พระองค์ต้องลำบากย่อมไม่มีหม่อมฉันจะทําปาธิหารพระศาสดาครณีเธอจะทําอย่างไรกรณีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันจะทําแผ่นดินใหญ่ในท้องแห่งจักรวาลหนึ่งให้เป็นน้ําแล้วดําลงเหมือนนางนกเป็ดน้ําแสดงตนที่ขอบปากแห่งจักรวาลด้านประจีนที่ขอบปากแห่งจักรวาลด้านประชิมทิตอุตรทิศและทักษินทิตก็เช่นนั้นตรงกลางก็เช่นนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นมหาชนเห็นหม่อมฉันแล้วเมื่อใครๆพูดขึ้นว่า นั่นใครก็จะบอกว่านั่นชื่อนางคารณีอนุภาพของหญิงคนหนึ่งยังเพียงนี้ก่อนส่วนอนุภาพของพระพุทธเจ้าจะเป็นเช่นไรพวกเดร ถ, ถีไม่ทันเห็นพระองค์เลยก็จะหนีไปด้วยอาการอย่างนี้ลําดับนั้นพระศาสดาตรัสกับนางคารณีว่าคารณีเราย่อมทราบความที่เธอเป็นผู้สามารถ ทำปฏิหารเห็นป่านี้ได้แต่พวงดอกไม้นี้เขาไม่ได้ผูกไว้เพื่อประโยชน์แก่เธอแล้วก็ได้ทรงห้ามเธอเสียนางขรณีนั้นได้มีความคิดว่าพระศาสดาไม่ทรงอนุญาตแก่เราคนอื่นผู้สามารถทำปฏิหารยิ่งขึ้นไปกว่าเราจะมีแน่แท้ดังนี้แล้วก็ได้ยืนอยู่นะส่วนข้างหนึ่ง ไ่ายพรศา ส, สดาทรงดําริว่าคุณของสาวกเหล่านั้นจะปรากฏด้วยอาการอย่างนี้แหละทรงสําคัญอยู่ว่าพวกสาวกจะบลือสียรษะนะท่ามกลางบริษัทมีประมาณสามสบหกโย ด, ด้วยอาการอย่างนี้จึงตรัสถามสาวกแม้พวกอื่นว่าพวกเธอจะทําปริหารอย่างไรสาวกเหล่านั้น ก็กราบทูลว่าพวกข้าพระองค์จะทําอย่างนี้และอย่างนี้พระชจ้าข้าแล้วยืนอยู่เฉพาะพระพักของพระาศาสดา น, นั่นแหละบรลือสีนาะแล้วบรรดาสาวกเหล่านั้นได้ยินว่าท่านจุลอนาตาบินติกะคิดว่าเมื่ออนาคามีอุบาสกผู้เป็นบุตรเช่นเรามีอยู่กิจที่พระาศาสดาต้องลําบากย่อมไม่มี จึงกราบทูลว่าพระเจ้าข้าข้าพระองค์จะทำปาฏิหาริย์พระศาสดาเธอจะทำอย่างไรพระเจ้าข่าข้าพระองค์จะเนรมิตอัตภาพเหมือนพรมมีประมาณ12โยดจะปรบมือดุดดังพรมด้วยเสียงเช่นกับมหาเมฆ ก, กระหึม่มในท่ามกลางบริษัทนี้มหาชนจะถามว่านี่ชื่อว่าเสียงอะไรกัน แล้วจะกล่าวกันเองว่าในยะว่านีชื่อว่าเป็นเสียงการปรบดังพรมของท่านจุลอาณาถบินทิกะพวกเดรธีจะคิดว่าอนุภาพของกระดาบดียังถึงเพียงนี้ก่อนอนุภาพของพระพุทธเจ้าจะเป็นเช่นไรอย่างไม่ทันเห็นพระองค์เลยก็จะหนีไปดังนี้พระศาสดาก็ได้ตรัสเช่นนั้นเหมือนกันแม้แกท่านจุล นาทบินทิกัดนั้นว่าเราทราบอนุภาพของเธอแล้วไม่ทรงอนุญาตการทำปาฏิหารินั้นต่อมาสามเณรีชื่อว่าวีรามีอายุเจ็ดกวบบรรลุปฏิสัมพิทารูปหนึ่งถว า, ายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญม่อมฉันจะทำปาฏิหารพระศาสดา วีราเธอจะทำอย่างไรวีราถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญมอมฉันจะนำภูเขาสินเนรุภูเขาจักรวาลและภูเขาหิมะพานนั่งเรียงไว้ในที่นี้แล้วจะออกเอาภูเขานั้นๆไปไม่ขัดข้องดุดนางหงมหาชนเห็นหม่อมฉันแล้วจะถามว่านั่นใครแล้วจะกล่าวว่าวีราสามนเณรีพวกเดร์ถี จะคิดกันว่าอนุภาพของสามเณรีผู้มีอายุใจกวบยังถึงเพียงนี้ก่อนอนุภาพของพระพุทธเจ้าจะเป็นเช่นไรยังไม่ทันเห็นพระองค์เลยก็จะหนีไปพระชจขาก็เบืออหน้าแต่นี้ไปพึงทราบคําเห็นป่านนี้โดยทํานองดังที่กล่าวแล้วนั่นแหละพระผู้มีพระภาคจึงตรัสแม้แก่สามเณรีนั้นว่าสามเณรี เราทราบอนุภาพของเธอดังนี้แล้วก็ไม่ทรงอนุญาตการทำปาฏิหาริย์ลำดับนั้นสา ม, มเณรชื่อจุนทะผู้เป็นกีนาศบรรลุปฏิสัมพิทารูปหนึ่งมีอายุเจ็ดขวบได้เข้าไปเฝ้าพระาศาสดาถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จัดแสดงปาฏิหาริย์พระเจ้าค่จุนทะ เธอจะทําอย่างไรจุนทัะสามเณรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะ จ, จับต้นว่าใหญ่ที่เป็นธงแห่งจัมปูตพีบที่ลําต้นแล้วเขยา่านําผลว่าใหญ่มาให้บริษัทนี้เคี้ยวกินและข้าพระองค์จะนําผลดอกแค่ฝอยมาแล้วถวายบังคมพระองค์พระศ า, าสดาตรัสว่าจุนทะเราทราบอนุภาพของเธอ ก่นนี้แล้วก็ส่งห้ามการทําปาฏิหาริแม้ของสามเณร น, นั้นลําดับนั้นพระเทรีชื่ออุบบนวรนนาถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลว่าหม่อมฉันจะทําปาฏิหา ร, พราิพระศกาพระศาสดาเธอจะทําอย่างไรอุบบนวรนนาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันจะแสดงบริษัทมีประมาณหนึ่งโยธโดยรอบ ให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอันบริสัทธ์มีมนฑลประมาณ36โยศแวดล้อมแล้วมาถวายบังคมพระองค์พระศาสดาตรัสว่าอุบลวณาเราทราบอนุภาพของเธอแล้วก็ทรงห้ามการทำปาฏิหารแม้ของพระเทรีนั้นลำดับนั้นพระมหาโมกขลานะเทระ ถาวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะทำปาฏิหารพระเจ้าข้าพระศาสดาเธอจะทำอย่างไรโมกกลานะข้าพระองค์จะวางภูเขาหลวงชื่อสิเนรุไว้ในระหว่างฟันแล้วเคี้ยวกินภูเขานั้นดุดพืชเมล็ดผักกาพระเจ้าข้าพระศ า, าะ ส, สดาแล้วเธอจะทำอย่างไรอีกพระหมาโมกกลานะ ข้าพระองค์จะม้วนแผ่นดินใหญ่นี้ดุดเสือลําแพนแล้วใส่เข้าไว้คือหนีบไว้ในระหว่างนิ้วมือพระศาสดาแล้วเธอจะทําอย่างไรอีกข้าพระองค์จะหมุนแผ่นดินใหญ่ให้เป็นเหมือนแป้นหมุนภาชนะดินของช่างหม้อแล้วให้มหาชนเคี้ยกินโอชาแห่งแผ่นดินโมกลุลนะแล้วเธอจะทําอย่างไรอีกข้าพระองค์จะทําแผ่นดิน ไว้ในมือเบื้องซ้ายแล้ววางสัตว์เหล่านี้ไว้ในทวีบอื่นด้วยมือเบื้องขวาแล้วเธอจะทำอย่างไรอีกข้าพระองค์จะทำภูเขาสินเนรุให้เป็นด้ามร่มยกแผ่นดินใหญ่ขึ้นวางไว้ข้างบนของภูเขาสินเนอรุนั้นเอามือข้างหนึ่งตือไว้คลายภิกษุมีร่มในมือรงกลมไปในอากาศพระศาสดาตรัสว่า โมกกลานะเราทราบอนุภาพของเธอดต่นี้แล้วก็ไม่ส่งอนุญาตการทําปาฏิหาริย์แม้แก่พระเทรานั้นพระมหาโมกกลานัเทระคิดว่าเฉลยพระศาสดาจะทรงทราบผู้สามารถทําปาฏิหาริย์ยิ่งกว่าเราแต่นี้แล้วจึงได้ยืนอยู่นะที่ส่วนข้างหนึ่งตอนพระศาสดาตรัสเหตุ ที่ไม่ให้สาวกแสดงปาฏิหาริย์ลำดับนั้นพระาศาสดาตรัสกับพระเทรานั้นว่าโมคลานะพวงดอกไม้นี้เขาไม่ได้ปลูกไว้เพื่อประโยชน์แก่เธอด้วยว่าเราเป็นผู้มีธุระที่หาผู้เสมอไม่ได้ผู้อื่นที่ชื่อว่าสามารถนำธุระของเราไปได้ไม่มี การที่ผู้สามารถนำธุระขอเราไปได้ไม่พึงมีในบัดนี้ไม่เป็นของอัศจรร์แม้ในการที่เราเกิดในกำเนิดสัตว์เดรฉานที่เป็นอหิตุกากำเนิดผู้อื่นที่สามารถนำธุระของเราไปก็ไม่ได้มีแล้วเหมือนกันอันประเตระตูลถามว่าในการไรพระเจ้าาจึงทรงนำอดีตนิทานมา ตรัตกันหะอุสภชาดกให้พิสดารดังนี้ว่าธุระหนักมีอยู่ในการใดใดทางไปในที่ลุ่มลึกมีอยู่ในการใดในการนั้นแหละพวกเจ้าของย่อมเทียมโคชื่อกันหะโคชื่อกันหะนั่นแหละย่อมนำธุระนั้นไปเมื่อทรงแสดงเรื่องนั้นนั่นแหละให้พิเศษยิ่งขึ้นไปอีก ได้ตรัตนันทวิสารชาดกนี้ให้พิสดารดังนี้ว่าบุคคลพึงกล่าวคำเป็นที่พอใจเท่านั้นไม่พึงกล่าวคำไม่เป็นที่พอใจในการไหนๆเพราะเมื่อปรามกล่าวคำเป็นที่พอใจอยู่โคนันทวิสารเข็นภาระอันหนักไปได้ยังปรามนั้นให้ได้ทรัพ์ และปรามนั้นได้เป็นผู้มีใจเบิกบานเพราะการได้ศัพท์นั้นก็แลพระาศาสดาตรัสแล้วจึงเสด็จขึ้นสู่ทางจงกรมแก้วนั้นข้างหน้าได้มีบริษัทประมาณ12โยดข้างหลังข้างซ้ายและข้างขวาก็เหมือนอย่างนั้นส่วนโดยตรงมีประมาณ24โยด พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทำยะมะกะปาฏิหารในท่ามกลางบริษัทยะมะกะปาฏิหารนั้นบัณฑิตพึงทราบตามพระบาลีอย่างนี้ก่อนตอนลักษณะของยะมะกะปาฏิหารยานในยะมะกะปาฏิหารของพระตถาคตนั้นเป็นอย่างไรในญานนี้พระตถาคต ทรงทำยะมะกกาปฏิหารไม่ทั่วไปด้วยพวกสาวกท่อไฟพุ่งออกแต่ประกายเบื้องบนสายน้ำไหลออกแต่ประกายเบื้องล่างท่อไฟพุ่งออกแต่ประกายเบื้องล่างสายน้ำไหลออกแต่ประกายเบื้องบนท่อไฟพุ่งออกแต่ประกายเบื้องหน้าสายน้ำไหลออกแต่ประกายเบื้องหลัง ท่อไฟพุ hand, ่งออกแต่ประกายเบื้องหลังสายน้ำไหลออกแต่ประกายเบื้องหน้าท่อไฟพุ่งออกแต่ประเนตรเบื้องขวาสายน้ำไหลออกแต่ประเนตรเบื้องซ้ายท่อไฟพุ่งออกแต่ประเนตรเบื้องซ้ายสายน้ำไหลออกแต่ประเนตรเบื้องขวาท่อไฟพุ่งออกแต่ช่องประกันเบื้องขวาสายน้ำไหลออก แต่ช่องประกันเบื้องซ้ายท่อไฟพุ่งออกแต่ประกันเบื้องซ้ายซ้ายน้ำไหลออกแต่ประกันเบื้องขวาท่อไฟพุ่งออกแต่พระนาศิกเบื้องขวาซ้ายน้ำไหลออกแต่พระนาศิกเบื้องซ้ายท่อไฟพุ่งออกแต่ช่องพระนาศิกเบื้องซ้ายซ้ายน้ำไหลออกแต่ช่องพระนาศิกเบื้องขวา ท่อไฟพุ่งออกแต่จะงอยพระอังสาเบื้องขวาสายน้ำไหลออกแต่จะงอยพระอังสาเบื้องซ้ายท่อไฟพุ่งออกแต่จะงอยพระอังสาเบื้องซ้ายสายน้ำไหลออกแต่จะงอยพระอังสาเบื้องขวาท่อไฟพุ่งออกแต่พระหัดเบื้องขวาสายน้ำไหลออกแต่ประหัดเบื้องซ้าย ท่อไฟพุ่งออกแต่ปราหลดเบื้องซ้ายสายน้ำไหลออกแต่ประหลัดเบื้องขวาท่อไฟพุ่งออกแต่พระปรัดคือสีข้างเบื้องขวาสายน้ำไหลออกแต่พระปรัดคือสีข้างเบื้องซ้ายท่อไฟพุ่งออกแต่พระปรัดเบื้องซ้ายสายน้ำไหลออกแต่พระปรัดเบื้องขวาท่อไฟพุ่งออกแต่พระบาทเบื้องขวา สายน้ำไหลออกแต่พระบาทเบื้องซ้ายท่อไฟพุ่งออกแต่พระบาทเบื้องซ้ายสายน้ำไหลออกแต่พระบาทเบื้องขวาท่อไฟพุ่งออกแต่พระอังคุลีคือนิ้วสายน้ำไหลออกแต่ช่องพระอังคุลีท่อไฟพุ่งออกแต่ช่องพระอังคุลีสายน้ำไหลออกจากช่องพระอังคุลี ท่อไฟพุ่งออกแต่กลุ่มโลมาคือกลุ่มขนมากลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งสายน้ำไหลออกแต่พระโลมาเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งทอไฟพุ่งออกแต่พระโลมาเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งสายน้ำไหลออกแต่กลุ่มพระโลมากลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งรัศมีทั้งหลายย่อมเป็นไปด้วยสามรารแห่งสีหกอย่างคือสีเขียว สีเหลืองสีแดงสีขาวสีหงสะบาทประพัดสอนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจงกรมพระพุทธเนรมิตรย่อมยืนหรือนั่งหรือสาเร็จการนอนคือพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนพระพุทธเนรมิตรย่อมจงกรมนั่งหรือสาเร็จการนอนพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่ง พระพุทธเนรมิตย่อมจงกรมยืนหรือสำเร็จการนอนพระพุทธเจ้าทรงสำเร็จสีหาสัยยาพระพุทธเนรมิตย่อมจงกรมยืนหรือนั่งพระพุทธเนรมิตจงกรมพระพุทธเจ้าย่อมทรงยืนประทับน voilà um ั่งหรือสำเร็จสีหาสัยาพระพุทธเนรมิตทรงยืนพระผู้มีพระภาคเจ้า ย่อมทรงจงกรมประทับนั่งหรือทรงสำเร็จสีหาสัยยาพระพุทธนรมิตรประทับนั่งพระพุทธเจ้าย่อมทรงจงกรมประทับยืนหรือสำเร็จสีหาสัยยาพระพุทธเนรมิต ร, รสำเ ร, ร็จสีห า, ส, า ส, สัยยาพระผู้มีพระภาคย่อมทรงจงกรมประทับยืนหรือประทับนั่งนี้เป็นญาณในยมกปาปฏิหาร ของพระตถาคตก็พระศาสดาเสด็จจงกรมบนที่จงกรมนั้นได้ทรงทำปาฏิยานนี้แล้วพระสารีบุตรเทรจึงกล่าวว่าเหติมะกายโตอุปริมะกายโตเพื่อจะแสดงเนื้อความนั้นท่อายย่อมพุ่งออกแต่พระกายเบื้องบนด้วยอำนาจเตโชกสินสมาบัติ ของพระตถาคตนั้นสายน้ำไหลออกแต่พระกายเบื้องล่างด้วยอำนาจอาโปกสินสมาบัติท่อไฟพุ่งออกแต่ที่ที่สายน้ำไหลออกแล้วอีกและสายน้ำก็ไหลออกแต่ที่ที่ท่อไฟพุ่งออกในยะในบททั้งปวงก็เช่นนั้นก็ยมกะปาติยา น, นี้ท่อไฟไม่ได้เจือปนกับสายน้ำเลยเอหนึ่ง สายน้ำก็ไม่ได้เจือด้วยท่อไฟก็ในยะว่าท่อไฟและสายน้ำทั้งสองนี้พุ่งขึ้นไปจนถึงปรมโลกแล้วก็พวยพุ่งไปที่ขอบปากจักรวาลก็เพราะเหตุที่พระสารีบุตรเถระกล่าวไว้ว่าฉันนั่งวัน น, นั่งพระรัศมีพันธะหกประการของพระาศาสดานั้นพุ่งขึ้นไปจาก ห้องจักรวาลหนึ่งดุจทองคำละลายคว้างซึ่งกำลังไหลออกจากเบ้าและสายน้ำแห่งทองคำที่ไหลออกจากธนาญนญน์จดพมโลกแล้วสะท้อนกลับมาจดขอบปากจักรวาลตามเดิมห้องแห่งจักรวาลหนึ่งได้เป็นดุจเรือนต้นโพที่ตรึงใบด้วยซี่กลอนโค้งมีแสงสว่างทั่วกันหมด ในวันนั้นพระาศาสดาเสด็จจงกรมทรงรรยะมะกะปาฏิหาริย์แสดงธรรมแก่มหาชนในระหว่างระหว่างและเมื่อทรงแสดงไม่ทรงทำให้มหาชนหนักใจประธานให้เบาใจยิ่งในขณะนั้นมหาชนยังสาธุการให้เป็นไปแล้วในเวลาที่สาธุการของมหาชนนั้นเป็นไป พระศาสดาทรงตรวจดูจิตของบริษัทซึ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นได้ทรงทราบบาราจิตของคนหนึ่งหนึ่งด้วยอำนาจอาการสิบอกอย่างจิตของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นไปเร็วอย่างนี้บุคคลใดๆเลื่อมใสในธรรมใดและในปาฏิหารใดพระศาสดาทรงแสดงธรรมและได้ทรงทำปาฏิหาร ด้วยอำนาจอัยาศัยแห่งบุคคลนั้นๆเมื่อพระองค์ทรงสแสดงธรรมและทรงทำปาฏิหาริย์ด้วยอาการอย่างนี้ทำมาพิสมัยได้มีแก่มหาชนแล้วก็พระศาสดาทรงกำหนดจิตของพระองค์ไม่ทรงเห็นคนอื่นผู้สามารถจะตามปัญหาในสมาคมนั้นจึงทรงเดรมิต พระพุทธเนรมิตรและพระศาสดาทรงเฉลยปัญหาที่พระพุทธเนรมิตรนั้นถามแล้วพระพุทธเนรมิตรนั้นก็เฉลยปัญหาที่พระศาสดาตรถถามแล้วในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจงกรมพระพุทธเนรมิตรสำเร็จเรียบทมีการยืนเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ในเวลาที่พระพุทธเนรมิตจงกรมพระผู้มีพระภาคก็ทรงสำเร็จพระอียาบทมีการทรงประทับยืนเป็นต้นอย่างได้อย่างหนึ่งและเพื่อจะแสดงเนื้อความนั้นพระธรรมสังค้ากาจาย์จึงกล่าวคำเป็นต้นว่าพระพุทธเนรมิตย่อมจงกรมบ้างเป็นต้นถ้ามาพิสมัยได้มีแก่สัตยี่สิบโกด ในสมาคมนั้นพระเห็นปฏิหารของพระศาสดาผู้ทรงธทมอยู่อย่างนั้นและพระได้ฟังธรรมกถาและนี่คือตอนที่สองของยะมะกาบปฏิหารธรรมฟังเป็นเรื่องราวที่บอกถึงลักษณะปฏิหารที่พระองค์ทำได้คือไม่ใช่ธรรมดาในะทรรฟังการที่จะมีไฟออกท่อหนึ่งน้ำออกท่อหนึ่ง อันนี้คือที่เขาอธิบายไว้เนี่ยลักษณะก็คือต้องเข้าสมาธิชนิดที่มีความช่ำชองมากสมาธิที่อาศัยธาตุไฟคือเตโชธาตตสมาธิที่อาศัยธาตุน้ําคืออาโปธาต์เพื่อให้มีลักษณะนี้ออกมาได้เนี่ยความช่ำชองในสมาธิทั้งเข้าตั้งออกทั้งความละเอียดนะท่านจะต้องมีมากในการที่จะทำปาิหาร น, นี้ได้เมื่อทำปาฏิหารเสร็จแล้วจะเรื่องราวตอนต่อไป ในวันพรุ่งนี้ที่จะนําไม้ทํามวังฟังต่อคือการขึ้นไปจําพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงใ น, นลนักษณะการจําพรรษานั้นก็จำพรรษาคืออยู่ครบถ้วนไตรมาสอยู่รูปเดียวนั่นแหละอยู่บนที่นั่งของเท้าส ก, กัดเทวราชและเมื่อเสด็จลงมาตรงนี้จึงเป็นเรื่องราวที่เราอาจจะเคยได้ฟังนะว่าเป็นวันเปิดโลกธาตนะุมีการลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงวันออกพรรษา แล้วก็มีบันไดแก้บันไดเงินบันไดทองลงมาที่สังกสารคนครอันนี้เป็นเนื้อหาที่จะให้ฟังตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้วันนี้เวลาหมดแล้วข้าพเจ้าพระมหาไพบุญอภิปุณโนก็ขอลาไปก่อนจนป่อน